45ธรมมะหลวงปู่ดูลงเล็บเปิดสิเมษายน2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อปี2524 ป, ปลายปลายปีหลวงพ่อไปเจอธัมมะของหลวงปู่ดูลเข้าตอนนั้นไม่รู้จักท่านหรอกเขาเขียนชื่อพระรัตนากรวิสุทธ์เขียนเอาไว้แค่นั้นแหละใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทรไทยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ ที่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคพ้ที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่อย่างบริบูรณ์จิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเป็นมรรคแล้วพ้นจากความทุกข์ไปเป็นนิโรธพระอริยะเจ้าทั้งหลายในวงเล็บหมายถึงพระอรหันต์ มีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวก็พ้นจากทุกข์ปิดเครื่องหมายคำพูดธรรมะของท่านนะอ่านตรงนี้โอ้อ่านแล้วสะใจจังตอนนี้เหลือท่อนเดียวเหลือแต่เครื่องหมายคำพูดเปิดจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยปิดเครื่องหมายคำพูดท่อนหลังไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงจำเอาไว้เลยทั้งๆ ท, ท, ที่ดีจําแต่ท่อนแรกเอาไว้เพราะดูเก๋ไกด๋ดีพออ่านตรงนี้เรารู้สึกขึ้นมา ธรรมะอะไรประหลาดจริงๆจิตมันทุกนะถ้าจิตมันทุกมันไม่ใช่เราทุกนี่ใจรู้สึกอย่างนี้ถ้าจิตไม่ทุกเสียอย่างแล้วใครจะทุกการธรรมะของท่านแล้วมันวกเข้ามาตรงนี้ได้โอ้อยากรู้จักท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามถามคนเขาบอกโอ้คงมรณภาพไปแล้วเพราะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยสิ้นตั้งแต่ปี25งพ้ายยีราวๆนั้น หลวงปู่ดูลจะไปอยู่ได้อย่างไรอยู่มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในวงเล็บสองพัพงเชษมาบอกว่าท่านยังอยู่อยู่สุรินรู้อยู่แค่นี้รู้ว่าท่านอยู่สุรินชื่อหลวงปู่ดูลก็ขึ้นรถไฟไปหาท่านแล้วไปเที่ยวถามเขายังไม่รู้เลยว่าอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกลุยไปถามเอาที่แท้ก็อยู่ในเมืองนั่นเองเจอท่านก็เรียนกับท่านท่านสอนให้ดูจิต ด, ดูใจตัวเองแทนที่ท่านจะบอกว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ย่อยให้เสร็จแล้วนะถ้าเอาไปกินแล้วยังไม่ย่อยอีกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่สอนเครื่องหมายคำพูดเปิดการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองปิดเครื่องหมายคำพูดสอนเท่านั้นแหละเราก็มาคอยรู้ทันจิตตัวเอง มาคอยรู้ไปเรื่อยเครื่องมือนในการรู้จิตตัวเองก็คือสตินั่นเองตอนนั้นไม่รู้จักหรอกสติเป็นอย่างไรไม่รู้ทั้งสิ้นเลยท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็คอยสังเกตว่าจิตมันเป็นอย่างไรจิตมันอยู่ที่ไหนจะอ่านมันได้อย่างไรคอยสังเกตก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตนี้ไม่อยู่เกินร่างกายออกไปหรอกฉะนั้นต่อไปนี้กรรมาฐานของเราจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไปหลวงพ่อไล่เลยนะ จิตอยู่ในผมหรือเปล่าเราไม่รู้จักจิตนะจิตอยู่ในผมไหมตอนนั้นผมยาวเหมือนโยมนะบีบี้บดูไม่เห็นมันจะมีจิตตรงไหนเลยมันเป็นวัตถุเฉยๆจิตอยู่ในขนหรือเปล่าขนคิ้วเมื่อก่อนก็มีขนคิ้วตอนนี้สั้นจุดจุบีบี้บดูก็ไม่เห็นมีจิตอยู่ในเล็บมีไหมก็ไม่มีนะขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ๆอยู่ในร่างกายไล่ไปไล่มาไม่เห็นจะมีจิตเลย แต่จิตต้องอยู่ในกายแต่เราหาไม่เจอจิตอยู่ในหัวใจหรือเปล่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไล่อย่างไรก็ไม่เจอเอจิตคงไม่ใช่วัตถุแล้วนึกขึ้นมาได้นะจิตมันไม่ใช่วัตถุเราไปหาแต่ตัววัตถุมันก็ไม่เจอสิจิตมันต้องเป็นความรู้สึกหรือว่าจิตอยู่ในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทําใจให้สบายรู้สึกมีความสุขดูลงไปที่มีความสุขไม่เห็นจิตอีกความสุขไม่ใช่จิตอีกแล้วกลุ้มใจขึ้นมา เอความกลุ่มใจก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วดูไปดูไปในที่สุดก็จับได้ว่าจิตเป็นผู้รู้เพราะจิตเป็นผู้รู้เราก็ค่อยๆเห็นว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่จิตรู้นี่ถ้าพูดในภาษาพิธ ร, รมภาษาปริยัตก็คือจิตกับอารมณ์นั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคำว่าอารมณ์ในทางาศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าอิโมชันอารมณ์แบบที่พวกเรารู้จักที่คนยุคนี้รู้จัก อารมณ์เป็นสับเฉพาะแปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นของที่คู่กับจิตเสมอเลยมีจิตเมื่อไรต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเป็นของคู่กันฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโอ้จิตเป็นผู้รู้คราวนี้ค่อยๆสังเกตนะส่วนมนในใจเครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโธสุสุดโธกรุนามหันณาโวปิดเครื่องหมายคำพูดเห็นเลยคาว่าในเครื่องหมายคำพูดพุทโธสุสุตโธ มันเหมือนงูเลื้อยออกมาจากถ้ำผุดผุดขึ้นมาจากคำว่างๆจิตเป็นคนดูอยู่จิตก็ถอนตัวปุ๊บออกมาเป็นคนดูนี่ดูมาจากสุรินนะไปแวะโคราช ด, ด้วยไปหาหลวงพ่อพุธพอขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพคนละขบวนกันมาถึงกรุงเทพถึงค่อยเห็นโอ๊ยจิตมันเป็นตัวรู้นี่จับเอาตัวรู้แยกออกมาได้แต่แยกได้แวบเดียวเองจิตตัวรู้ก็ไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อีกเพราะมันคุ้นเคยที่จะไหลเข้าไปรวมกัน อีกเจวันต่อมานะดึงลูกเดียวเลยทำอย่างไรจะแยกรู้แล้วว่ามันแยกได้ทำอย่างไรจิตมันจะแยกออกมาหลวงปู่ให้ดูจิตจะได้ดึงให้หลุดออกมาแล้วจะไปดูมันนี่เข้าใจผิดแล้วดูจิตไม่ได้ไปดูตัวจิตตรงๆนะจริงๆก็คือดูตัวเจตสิกดูธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตมันจะทำให้เห็นเลยจิตที่โกรธก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่โลภก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่หลงจิตที่สุขจิตที่ทุก เป็นแต่ละดวงแต่ละดวงคนละดวงกันถ้าไปแยกจนตัวรู้ออกมานี่จะคงที่แล้วตัวรู้ก็เป็นตัวรู้อยู่นั่นเองเหมือนไฟจับกี่ทีก็ร้อนทุกทีก็คงที่อยู่อย่างนั้นเราไม่ได้แยกอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อหัดใหม่ๆครูบาอาจารย์ไม่ได้ช่วยย่อยให้ก็ลำบากพยายามแยกใหญ่ดึงดึงใหญ่หาทางทั้งดึงทั้งผลักแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบทางนี้ก็พยายามเหนียวให้มันแยก ทำอยู่อาทิตย์หนึ่งหลุดออกมาได้อ๋อดีจังเลยหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแป๊บเดียวไม่กี่ขณะก็ไหลไปรวมกันอีกแล้วแต่ก็อย่างดีวะดึงมันเจ็ดวันมันหลุดออกมาได้นานขึ้นแล้วเห็นไหมให้กําลังใจตัวเองด้วยนี่มีพัฒนาการแล้วเห็นไหมดึงแล้วมันแยกออกมาได้ดึงอีกห้าวันคราวนี้หลุดออกมาได้เป็นนาทีแล้วกะนะว่าเราจะฝึกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลุดออกมาตลอดเลยมันจะไม่เข้าไปอีกแล้ว คิดเอาว่าถ้ามันหลุดออกได้ตลอดต้องเป็นพระอรหันต์แน่เลยเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตไม่เห็นเจตสิกนี่ไม่เข้าใจเลยฟัดกับมันอย่างนี้อยู่สามเดือนถ้ามันหนักๆก็แยกไปหนักๆไม่ใช่จิตแยกไปค่อยๆแยกค่อยๆย่อยค่อยๆสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปเรื่อยจะเอาจิตฝึกอยู่สามเดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลกะว่าท่านชมแน่เลยว่าเราฉลาดลูกจิ์คนนี้เก่งจังเลยอะไรอย่างนี้ สามารถแยกเอาจิตออกมาได้แล้วไปนึกว่าท่านจะชมท่านบอกไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปไปทำใหม่ที่ทำอยู่ผิดแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรไม่บอกนะรู้อย่างเดียวว่าที่ทำอยู่ผิดเอ๊ไปพยายามแยกมันนี่ผิดแฮะนึกขึ้นได้ท่านบอกให้ดูจิตนี่ท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้บอกให้แยกเราไปแยกเองนะ่ะท่านบอกให้ดูตังหากเอาใหม่คราวนี้มันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้น มันโลภเห็นมันโลภมันโกรธเห็นมันโกรธบางทีใจก็แยกออกมาบางทีก็ไหลเข้าไปรวมกันอย่างไรก็ได้จริงๆแล้วอย่างไรก็ได้ฝึกไปฝึกไปจนวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมามันไม่มีเราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราเสร็จแล้วความสงสัยก็ยังมีอยู่ว่าการปฏิบัติที่ละเอียดประณีตขึ้นไปนี่เราต้องให้ตัวรู้นี้แยกอยู่ตลอดหรือเปล่ามันมีสองตัวแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ จิตผู้รู้มันแยกออกมาอยู่ต่างหากเสร็จแล้วยังเกิดสงสัยได้อีกว่าเราควรจะดูตัวไหนดีเราควรจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีจะเอาตั้งไว้ที่ตัวรู้นี่หรือตั้งเอาไว้ตรงนี้ถ้าตัวนี้ก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆถ้าตั้งเอาไว้ตรงนี้ก็ว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรเอถ้าตั้งเอาไว้ตรงนี้ก็นิ่งๆนะหลวงปู่ดูลนบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกข ให้รู้รูปนามท่านไม่ได้ให้ไปจ้องใส่ตัวจิตทำไมหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงปู่ดูลกับพระพุทธเจ้าทำไมสอนไม่เหมือนกันชักงง ง, งขนาดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะจะภาวนาที่ลำบากประนีตขึ้นไปก็ยังต้องลูบๆคลำๆอีกเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารย์ฮ้าสงสัยนะจิตมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้นี่มันเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้กับจิตอาจจะคนละตัวก็ได้นี่คิดไปอย่างนั้นอีก เสร็จแล้วมาดูอยู่ตรงนี้ในวงเล็บกลางหน้าอกอีกคราวหนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลอีกเครื่องหมายคําพูดเปิดหลวงปู่จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนแน่ปิดเครื่องหมายคําพูดให้ท่านชี้ขาดนะมันตั้งอยู่ที่นี่ในวงเล็บศีรษะหรือมันตั้งอยู่นี่ในวงเล็บกลางหน้าอกเราก็คิดว่าต้องดูตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันมันทํางานมันเกิดดับกะว่าคําตอบสุดท้ายที่ท่านจะฟันธงต้องอยู่กลางหน้าอกนี่ท่านบอก ในเครื่องหมายคำพูดจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วฮา้าไม่มีที่ตั้งแล้วจะดูที่ไหนละคราวนี้คราวนี้งงนะงงอยู่หลายปีเลยกะจะถามท่านอีกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงปู่ครับจะต้องขยายความหลวงปู่ผมควรจะดูไอ้ตัวนี้หรือผมจะดูตัวนี้สงสัยจุดๆุดจุดปิดเครื่องหมายคำพูดเอเอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังถามมากนักเดี๋ยวหลวงปู่ว่าเราขี้เกียจ ด, ดู ดูไปดูไปจนหลวงปู่ดูลมรณภาพไปหลังจากนั้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศก็หลายทีนะขยับขยับถามแต่เรื่องอื่นพอมาถึงเรื่องนี้ว่าจะเอาจิตไปดูที่ไหนดีจะดูที่นี่หรือจะดูที่ตัวรู้นี่ขยับจะถามอยู่นั่นแหละไม่ถามนะจนหลวงปู่เทศก็มรณาภาพไปไปเรียนกับหลวงปู่สิมอีกหลวงปู่สิมก็มรณภาพไปอีกองค์ครูบาอาจารย์ค่อยๆทยอยมรณภาพไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ถามใคร จนมาบวชตั้งแต่มาบวชก็เรียนกับหลวงปู่สุวั์หลวงปู่สุวั์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายเลยชี้เป็นชี้ตายเราได้เลยถามดีหรือไม่ดีนี่อุตส่าห์อดกลั้นมา20ปีแล้วอดกลั้นอีกหน่อยก็แล้วกันดูไปดูไปโอ้มันเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ไม่เห็นมีตัวไหนมันไม่ทุกข์เลยถึงเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้ดูตัวไหนหรอกทุกๆตัวล้วนแสดงไตรลักษณ์ทั้งนั้น ทำไมต้องเพ่งเลงไปดูตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยเราดูสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมดสลัดทิ้งหมดเลยใจไม่ได้เอาไม่ใช่ทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้ถ้าทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้มันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วไปไม่รอดแล้วสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่เมื่อ26ปีก่อนวันหนึ่งท่านก็เปรยโยผู้ปฏิบัติส่วนมากกระทั่งมีชื่อเสียงมากๆอะไรนี่ ส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่ายอย่างนี้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดผีใหญ่ของท่านหมายถึงเป็นพระอนาคามีตายแล้วไปเป็นพรหมเราก็ฟังเอาไว้ส่วนมากยังไม่จบหรอกทำไมมันยากเย็นแสนเข็นนะผู้ปฏิบัติมีเยอะท่านบอกเหมือนขนวัววัวทั้งตัวมีขนเยอะแต่ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยเหมือนเขา ว, วัวเขาวัวมีนิดเดียวขนวัวมีเยอะยังมีขนลิงขนข้างขนช้างขนมาอะไร เหมือนคนทั้งโลกมีเยอะแยะแต่คนที่หลุดออกมาเหมือนเขาหัวมีสองอันมีน้อยทำไมมีน้อยเพราะไปติดอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะเอาตัวหนึ่งจะไม่เอาตัวหนึ่งจะเอาตัวนี้ไว้จะไม่เอาตัวอื่นยังเอาอยู่ยังเอาอ ย, ย, อาอยู่ก็ยังเกิดอีกยังต้องแสวงหาอยู่ยังต้องดิ้นรนอยู่เกิดอีก